ั้นก็กลุ่มเราท่านทั้งหลายเป็นประเภททุกขาปฏิปทาไม่รู้จะบรรลุได้หรือเปล่าถ้าบรรลุก็เป็นคันทาพิญญาปฏิบัติก็ยากยากบรรลุก็ช้าเส็มที <laughs> ก็จริงๆนะที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยมันสมควรแก่เหตุในอดีตแล้วนะเออ สมควรกรเหตุในอดีตแล้วล่ะอย่าพึ่งเข้าข้างตัวเองมากเลย mm hmm. คือการพิจารณาปัจจัยเนี่ยนะโดยเฉพาะกําหนดปัจจัยเนี่ยนะว่าตรงๆคือการกําหนดสมุทัยศั์การกําหนดปัจจยุบันคือขันอายตนะธาเป็นการกําหนดทุกขสัพเลยนะทุกขสัพถามว่าเต็มบริบูรณ์เมื่อไหร่เมื่อมีกรรมสกตาอย่างเต็มเปี่ยมกรรมสกตาที่เต็มเปี่ยมแค่ไหน กำหนดเรื่องพิจารณาเรื่องจุติและปฏิสนธิได้เห็นไหมสำคัญมากเลยนะเอาเรื่องจุติกับปฏิสนธิมามาคิดให้มากๆชอบในปรายณวั่รนะนะสิทธรพรมภาวรีสิบท่านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขามีคำถามนะถามเด็ดๆบอกข้าพระองค์เนี่ยจะขอฟังธรรมที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้ ว, ลวจะละชาติชาาได้อะโอ้โหคำถามเลยนะเด็ดมากเลย ขอนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วขอให้ละชาติชาราได้อ่ะขอเลิกเกิดเลิกแก่สักทีหนึ่งว่างั้นอนะ่ะขอนั่งฟังตรงนี้ขอให้พระองค์สอนด้วยนะแล้วพระองค์ก็สอนนะแล้วเขาก็บรรลุจริงๆเลยนะโอ้แข่งมากเลยนะมีบุญจริงๆเลยนั้นธรรมะเนี่ยเรื่องชาติกะาระลาเนี่ยเป็นสัวที่จะต้องเอามามาคิดให้มากๆถ้าเราคิดเรื่องชาติชาลามรณะน้อยไปเนี่ยนะเราจะไม่เห็นว่าเอ้ชีวิตมันเดือดร้อนตรงไห น, น ทำไมเราจะต้องขวนขวายอะไรปานนั้นทำไมจะต้องตื่นกะดึกเพื่อมาติรกพระธรรมเนี่ยนะ <c oughs> ว่าจะหลับีก็ดึกเดินอย่างเงี้ยนะโอ้ยทำไมจะมากมายปานนั้นเรียนเมื่อก่อนนะยศเขาเล่าคนเนะีเรียนหนังสือทางโลกเขายังไม่ได้หนักขนาดนี้นเลยวนะ่าไรบางคนเขาว่าขนาดนั้นเลยเนะ่ยไม่รู้ก็ชมไม่ก็ว่าก็ไม่ทราบอางเงี้ยกระตารบไม่ฟังอ่ะนะใช่คนที่ว่านี่เป็นอาจารย์มหาลาัยนะ <c oughs> ตอนเขาทำโทรโอหนักหน่อยปราณั้นตอนทำตั้งแต่จนถึงเป็นยาตีนไม่ค่อยหนักเลยเนี่ยทํามาเนี่ยโตหตํำรับตาราเนะไม่ยบอกไม่กล้าให้สามีดูเทพเลยก็ว่างั้นก็เห็นนิดนิดหน่อยหน่อยังอุทานเลยถ้าเห็นหมดขนาดไหนก็ว่างั้นเดี๋ยวเขาจะท้อทั้งหมดคือบางคนเนี่ยเขาต่อว่าแม่บ้านว่าโอ้ยไปฟังอะไรกันขนาดนั้นก็ว่างั้นฟังเป็นปีๆแล้วไม่รู้จักจบจากสิ้นสักที <c oughs> ไปอยู่ได้ทุกวันก็ว่างั้นแล้วไปดูเทพอีกโอ้ขนาดนี้เลยเลย สามีนี่ท้อเลยอ่ะแต่ขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับคำสอนแล้วยโอ้โหยังห่างมากนะยังห่างมากก็เป็นเรียกว่าเป็นวิชาที่คู่ควรแก่การท้นทุกข์นะนะถ้าเป็นหลักสูตรย่อๆ ง, ง่ายๆสั้นๆนี่ก็แสดงว่าทุกข์ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าหากว่าวัตจะทุกข์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยจะเห็นว่าสมควรแล้วที่จะต้องศึกษาพระธรรม ถ้าศึกษาแล้วบรรลุง่ายๆนะโซดาปฏิมักไม่น่าเชื่อถือถ้ามันง่ายเกินไปอ่ะนะไม่ไม่น่าไม่น่าสนใจอะไรสักเท่าไหร่และอย่างหนึ่งแล้วถามว่าถ้าง่ายๆแล้วาศาสนาจะมีเสื่อมหรือแล้วทําไมพระพุทธเจ้าจะต้องทุ่มเทบริจาคทานตั้งมากบําเพ็ญศีลใช้เวลาสี่อสงไขยแสนกับท่าถ้าง่ายอ่ะนะก็แสดงว่าไม่ใช่เคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้คําว่าลึกซึ้งคําภีรภาพเนี่นย น, น, นะเปรียบเหมือนมหาสมุทรเนี่ยนะเปรียบเหมือนมหาสมุทร แต่ว่ามหาสมุทรก็มีความอัศจรรย์อยู่ในนั้นตั้งหลายอย่างไงมหาสมุทรนี้น่าอัศจรรย์ยังไงลากลุ่มลึกไปโดยลําดับแล้วธรรมวินัยนี้อ่านะก็เหมือนกันนะะเหมือนกับมหาสมุทรคือมีศิกขาโดยลําดับมีปฏิปทาโดยลําดับและมีกิริยาโดยลําดับศิกขาสามโดยลําดับนะศีลและสิกขาจิตแสิกขาปัญญาสิกขาก็เป็นไปโดยลําดับ การกระทําคืออนุปัสนาก็ต้องเป็นไปโดยลําดับกิริยาคือทุดงเป็นต้นก็เป็นไปโดยลําดับเนี่ยภาษาอในอัตถกาถาท่านบอกว่าการบรรลุอรหัตผลแบบกบกระโดดไม่มีมนะกระโดดแย้งบรรลุเลยไม่มีแม้กระทั่งผู้ที่นั่งฟังธรรมนะนั่งแล้วนั่งฟังธรรมในอาสนะนั้นนะทําได้ทํากิจโดยลําดับแล้วนะแต่ถามว่ากิจโดยลําดับนี่แค่ไหนก็อ่านปฏิสัมพิทากันแล้วกันนะมเล่มหนึ่งนี่เล่มหนึ่งนะ นี่เล่มสองอืมแล้วต่อไปอมหาสมุทรนี้มีรถเดียวใช่ไหมธรรมวินัยนี้ก็มีรถเดียวคือวิมุตติรถมีอีกส่วนหนึ่งว่ามหาสมุทรนี้เป็นที่อยู่แห่งสัตว์ใหญ่ๆเห็นะสัตว์ใหญ่ๆเช่นปลาใหญ่ๆธรรมะวินัยนี้ก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ใหญ่ๆพือพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นที่ที่ใหญ่ มหาสมุทรเนี่ยไม่อยู่ร่วมกับซากศพธรรมวินัยนี้ก็ไม่อยู่ร่วมกับคนทุสีลเนี่ยนะไม่อยู่ร่วมกับคนทุสีนธรรมวินัยเออมหาสมุทรเนี่ยเต็มไปด้วยรัตนะธรรมวินัยนี้ก็เต็มไปด้วยรัตนะในของเราดูว่าทุกคนมีเครื่องประดับชั้นเลิศหรือยังนะสติปัฏฐานก็เป็นเครื่องประดับนะในธรรมวินัยนี้สติปัฏฐานก็เป็นเครื่องประดับนะปถือว่าเป็นรัตนะ สัมมาประธานอิทิบาทอินทรียีพละโพชฌงและอริยมรรคเนี่ยนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องประดับนั้นของเราทั้งหลายก็เข้ามาในมหาสมุทรที่คือมหาสมุทรคือธรรมวินัยนี้ก็หวังว่าจะได้เครื่องประดับคือสติปัฏฐานเป็นต้นไปนี่มาขึ้นอีกจารหนึ่งเลยเนาะสัมมาสนาญาณตอนนี้เรียนเรื่องญาณนะอย่างเดียว น, นี่ก็ในชั้นการศึกษาไม่น่ามีปัญหาเรียนได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งพระนิพพานเนี่ยนะ แต่บรรลุก็โดยลําดับนะศึกษาปฏิปทาการปฏิบัติก็เจริญก็ไปโดยลําดับไป <c oughs> การฟังอย่างนี้นะถึงเราจะฟังมากฟังอะไรก็ตามสิ่งที่ควรตั้งไว้เสมอเนะี่ยว่าเราจะต้องเจริญสิ่งเหล่านี้ให้ได้เห็นนะอันนี้คือสิ่งที่เราควรตั้งไว้นะตอนนี้ยังเจริญไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ควรตั้งเอาไว้อย่างนี้บ่อยๆว่าเราจักเจริญอย่างนี้ให้ได้ว่าเราจักเจริญ แบบนี้ให้ได้เนี่ยนะถ้าน้อมจิตไประยะหนึ่งแล้วจกักจักเจริญได้พูดถึงสัมมสัญาณต่อจากปัจจะปริคหายานในบาลีท่านกล่าวว่าปัญญาในการย่อธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วกาหนดเอาไว้ชื่อว่าสัมมสนญาณก็ย่ออดีตอนาคตและปัจจุบันนี่นะแล้ว กำหนดแล้วมาพิจารณาชื่อว่าสัมมาสัญญ า, านเนี่ยนะคาว่าอดีตอนาคตปัจจุบันคืออะไรอดีตคือสิ่งที่ถึงแล้วถึงยิ่งแล้วก้าวล่วงแล้วซึ่งสภาวะของตนหรือขณะมีอุปาทขณะเป็นต้นแปล ว, ว่ามันผ่านพ้นไปแล้วนะไทยๆเราก็ง่ายดีนะอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปนะสิ่งนั้นไม่เหลือแล้วในตอนนี้สิ่งนั้นเรียกว่าอดีต อนาคตยังไม่มาถึงไม่ถึงพร้อมยังไม่ถึงซึ่งสภาวะของตนมีอุปาทัศขณะเป็นต้นคือยังไม่ถึงสภาวะแลล ว, ว่ายังไม่ถึงวาระอนะสุดชื่อว่าปัจจุบันเพราะว่าบรรลุแล้วถึงแล้วเป็นไปแล้วเพราะอาศัยเหตุ น, นั้นๆจนล่วงขณะมีอุปาทัศขณะเป็นต้นเพราะฉะนั้นคํานี้ว่าอาตีตานาขตปัจจุบันนานังธรรมานังสังคิปิตาวา ว, วัถานเนปัญญา เรียกว่าปัญญาในการกําหนดอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันนับแบ่งหนึ่งโดยอาาัฐากาละตัวนั้นน่ะโน้ตเป็นบาลีไว้หน่อยว่าอาาัฐาอดีตอนาคตปัจจุบันโดยอาาัฐาในขณะคือโดยอดีตอนาคตโดยขณะสืบต่อก็คือสันตติและนะตรงนี้ยกมาสามอย่างให้เป็นตัวอย่างนะหน้าห้าสิบสองนับลงสามบรรทัดว่า คำว่าในการในขณะสืบต่อจริงๆก็แบ่งนะโดยอัฐโดยการตัวนั้นแปลว่าอัฐาและโดยขณะ ส, สืบต่อตัวนั้นมาจากคําว่าสันตติก็แปลว่าอดีตอนาคตปัจจุบันโดยอัฐาโดยสันตติและโดยขณะในที่นี้ประสงค์เอาปัจจุบันนะสันติคือปัจจุบันที่กําลังสืบต่อ ปัญญาในการรวบรวมเอาธรรมะคือขันทั้งที่ทเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเหล่านั้นเข้าเอาไว้ในขันหนึ่งๆแล้วทำให้เป็นกองด้วยสา ม, มารถกลาปะคือความเป็นหมวดหมู่แล้วกำหนดวินิจฉัยตัดสินได้ยานคือปัญญาในการถูกต้องเลือกเฟ้นเพ่งพินิจด้วยดีอธิบายว่ายามในการพิจารณาในเบญจขันโดยความเป็นหมวดหมู่ชื่อว่าสัมมาสญ ยามในการพิจารณาขันนั่นเองธมมรรมสนะตัวนั้นแปลว่าพิจารณาจริงอยู่กาลาปะสมมรรมสนายา น, นี้ย่อมเกิดแก่พระโยคีบุคคลผู้ได้ธรรมัทธิยานเป็นเครื่องกำหนดปัจจัยของนามรูปในลำดับแห่งนามรูปวัฏฐานยานยกแต่ละขันแต่ละขันที่กำหนดไว้แล้วในก่อนคือทั้งที่เป็นปัจจัยกับปัจจุบันเนี่ยนะยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์แล้วเห็นแจ้งอยู่โดยความเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตา ด้วยคามสา ม, มารถแห่งการพิจารณาตามที่กล่าวแล้วโดยนัยแห่งพระบาลีเป็นต้นว่าพระโยคีกำหนดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประนิตในที่ไกลหรือใกล้กาหนดโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ก็เป็นสัมมณ ะ, ะยามเนี่ยนะตอนนี้ชักติดกระดานนะพผู้การนั่นะ การอยากให้เขียนไม่ ใ, ใจอะไรเพราะถ้าไม่เขียนอธิบายไม่ได้อนะคือแบ่งโดยอดีตอนาคตเียแบ่งอัไงกันอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนี่ เอาแบบอัฐาก่อนนะอัฐาตัวนี้แปลที่เรานิยมเรียกว่ากาละคาว่าอัฐาเนี่ยนะหมายถึงว่าอาดีตก็คืออดีตชาติอัฐาตัวนี้หมายถึงภพเลยนะคืออดีตชาติหรืออดีตภพเห็นไะอันนี้ก็ปัจจุบันชาติอนาคตชาตินะนะส่วนโดย เอาสาัมตติก่อนนะง่ายดีอขออภยัยครับเอาโดยขนาดก่อนโดยขนาดเนี่ยอดีตก็คืออุปาทถีติพังคะเนี่ยนะที่ผ่านไปแล้วผ่านอุปาทถีติพังคะไปแล้ว ส่วนปัจจุบันคือกําลังอยู่ในเป็นไปโดยอุปาทะธิติและพังคะเครียกว่ากําลังถูกปัจจัยประชมปรุงแต่งขึ้นอยู่นะกำลังอยู่ดยอย่างนี้เรียกว่าปัจจุบันส่วนยังไม่ถึงวาระของตนมีอุปาทะเป็นต้นเรียกว่าอนาคตยังไม่ถึงวาระของตัวเองทีนี้โดยสันตติ สันตตินี้แบ่งเป็นรูปกับนามแบ่งรูปก่อนนะรูปก็ว่าโดยสมุทฐานคือกรรมมชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปและอาหารชรูปโดยอดีตอนาคตปัจจุบันท่านถือว่ากรรมมชรูปสันตติเดียวเห็นไหมกรรมมชรูปสันตติเดียวตั้งก็สมมติว่าตั้งอะตั้งมีร่างกายมานะ สันตติเดียวหรือไปเปลี่ยนมาหรือยังยังนะถ้เปลี่ยนมาอนนี้แย่น่าก็ถือว่าสันตติเดียวเลยนะตัวกรร ม, มชรูปนะตาก็สืบเนื่องอันเดียวมาตลอดหูจมูกลิ้นกายหัตถยก็สืบเนื่องกันมาตลอดเชื่อว่าสันตติเดียวเพราะว่ากรร ม, มชรูปเกิดทุกอนุขณะนะทุกอนุขขนาดจิตเลยนะอย่างเช่นในจิตหนึ่งดวงเนี่ยประกอบไปด้วยอุปาท ถ, าถีติและพังคะในอุปาทาิฏฐิขณะกรรมชรูปก็เกิดทิติขณะกรรมชรูปก็เกิดพังคะขณะก็ ก็เกิดเพราะฉะนั้นถือว่ากระแสเดียวจนตลอดชีวิตถ้าคั่นเมื่อไหร่ก็เยอะนะถ้าจุติมาคั่นเมื่อไหรก่ก็แล้วกลับมาเกิดใหม่ก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะ